ปัญหาทุกปัญหามันมีทางออกทั้งนั้นถ้าเรารู้สึกตัวเป็นเบื้องต้นมันเหมือนกับหอไตรเนี่นะถ้ามันมืดเราจะหาทางออกทางลงเนี่ยคงยากเพราะมันมืดเนี่ยไม่รู้ตรงไหนเนี่ยเป็นทางลงแต่ถ้าเปิดไฟสว่างเมื่อไหร่โอ้เราก็เห็น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 ควรเราเวลาละเมอนะมันทำอะไรได้หลายยามกันนะเดี๋ยวนี้มันมีการละเมอแบบใหมนะ่ละเมอแชทนะโลกใหม่นะละเมอแชทคือตื่นมาเนี่ยไม่ตื่นนะ่ะมันมีเสียงแชท ม, มันมีเสียงมันมีสัญญาณส่งรับข้อความทางโทรศัพท์มือถือก็ตื่นแต่ไม่ได้ตื่ น, นยังหลับอยู่แต่สามารถจะแชท ต, ต, ตอบกลับไปได้แต่ก่อนไม่มีแต่ละเมอนะละเมอเดินเพ่นพ่าน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 เวลาเะฝันเนี่ย <c oughs> บออ่อยค้า้งภาพที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันชัดเหมือนจนเหมือนว่าเป็นความจริงแต่ที่จริงมันเป็นสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาไอคนที่ระมอชัดเนี่ยเขาก็คิดว่าเขากลางตื่นขึ้นมาชัดนะส่งข้อความทางไลน์บ้างแต่ที่จริงไม่ใช่เขาหลับอยู่หลับเนี่ยก็ยังสามารถทําอะไรได้ไอคนที่ทำโน่นทํานี่อยู่ในเวลากลางวันเนี่ย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 มีคนเขาคำนวณว่าชีิตเราเนี่ยถ้าอายุอายุประมาณเจ็ดสิบห้าเนี่ยจะอยู่ในห้องน้ําทั้งชีิตประมาณเจ็ดปีอยู่ในห้องน้ำเจ็ดปีนะถ้าอายุประมาณเจ็ดสิบห้าเนี่ยไอ้เจ็ดปีนี้เอาแค่เอาแค่หนึ่งในเจ็ดเนี่ยนะมีสติอยู่การปฏิมีสตมิมีความรู้สึกตัวระหว่างที่เข้าห้องน้ำเนี่ยแค่หนึ่งในเจ็ดของเวลาทั้งชีวิตที่อยู่ในห้องน้ําเนี่ยมันคือปฏิบัติทำหนึ่งปีเต็ม มันยิ่งกว่าเข้าคอสิอเข้าคอี่แค่7วันนะแต่ถ้าเราเพียงแค่ปฏิบัติด้วยการเจริญสติทางควารู้สึกตัวเวลาอยู่ในห้องน้ำเนี่ยแค่หนึ่งใน7ของเวลาที่เข้าทั้งชีวิตเนี่ยมันได้เยอะทีเดียวอยู่บนรถเนี่ยก็อย่ามวัวแต่ปล่อยใจให้อยู่กับความห ง, งุดห ง, ดงิดให้หงุดหงิดนะอย่าให้ความหงุดหงิดมันคลองครองใจอย่าให้ความเครียดเนี่ยมันย่ํำยีจิตใจ คงเทพเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยนะสามรอสิบห้าวันเนี่ยใช้เวลาอยู่บนถนนหรืออยู่บนท้องอยู่บนรถเนี่ยหกสิถึงเจ็ดสิบวันหกสิบถึงเจ็สิบวันนี่หมายถึงว่าคูณยี่สิสี่ชั่วโมงนะไม่น้อยทีเดียวนะเราใช้เวลาอยู่บนถนนหรือบนรถเนี่ยในรถเนี่ยหกสิบถึงเจ็ดสิบวันไอ้หกสิบเจ็ถึงเจ็สิบวันเนี่ยถ้าวางใจไม่เป็นนะก็คือหกสิบถึงเจ็ดสิบวันแห่งการตกนรก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 ปฏิบัติที่พกเราต้องทำต่อไปขับพาความกัน